ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอารมณพระภูธิยานได้นำเสนอชุมภูและชมพูทวีปและประชาชนในแง่มุมต่างๆมาพอสมควรแล้วในตอนต่อไปนั้นเราก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไกลเกินไป คือตอนแรกเราก็พูดเรื่องทุเรนิธานคือไกลลิบล้นแล้วก็ย้อนอดีตไปไกลมากๆมาถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นอวิทุเรนิธานคือเรื่องที่ไม่ไกลมากๆนะก็จับความมาตั้งแต่ปฐมวงของพระพุทธเจ้าก็ถ้าเราศึกษาดูก็แสดงว่า กาเป็นการเท้าความไปไกลแล้วก็มีขาดช่วงแล้วก็มารณฑหนึ่งขึ้นมาใหม่สมัยพระเจ้าชยยเชษฐ์เสนาการเท้าความในตอนแรกก็ต้องการจะอธิบายความเป็นมาของราชวงศ์ของสากยาวงศ์และกุิยวงศ์แก็บอกว่าในดีตการนานไกลมีพระ ราชาปรุงหนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าโอก า, ก า, กากราชได้ครองพระนครตะบนหนึ่งคือแม้ระบอกที่ตั้งไว้ชัดเจนพระเจ้าโอกากราชนั้นมีพระจูรสี่พระองค์พระราชดิดาห้าพระองค์แล้วก็ประสูติเรียงลำดับคือผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็เรียงมาอย่างนั้น ต่อมาพระเมสสีโรรองเก่าที่องคตราชุ ร, รสราชธิดารวมแล้วก็เก้าวพระองค์นี่จะอยู่ในความรับผิดชอบของพระเจ้าโอกาส ก, กาก ร, ราชต่อมาก็ทรงมีเมสีใหม่แต่แสดงว่าคนมีลูกเก้าไปมีพันยาใหม่เนี่ยอายุก็ไม่เบาเลย ดีปัญญาใหม่พระเมษีใหม่ก็ประสูติพระราชโอรสก็ทำให้ทรงดีพระไทยเพราะว่าพระเมสีระองค์ก่อนนั้นองค์งน้องสุดคือผู้หญิงองค์พี่ใหญ่ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็สลับกันเป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมาเรื่อย ก็ทำให้อารามที่ดีพระไทยแบบคนแกน่ได้เมียสาวแล้วก็ได้ลูกเล็กๆมันก็หลงทั้งเมียทั้งลูกก็พลังพระวจาพ ร, ราชจทานพรให้ประนางเลือกสิ่งที่ประนางต้องประสงค์ไม่ว่าต้องการอะไรก็ตามก็จะประทานให้เป็นรับสั่งด้วยความดีใจแล้วมันจะมีข้อความหลวมๆ มันก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยชกช่วยโอกาสจากสัจจปฏิยานตรงนั้นได้จริงก็เป็นสัจจาวาจาะนะครับแต่ว่าเมื่อนางใช้คำกราบทูลว่าก็จะกราบทูลขอพรเมื่อถึงยามที่จะต้องการซึ่งก็ต้องยอมรับ น, นะครับ ลักษณะเหล่านี้ถ้าเราลองดูว่าเอาเย้อนอดีตไปไกลเนี่ยสมัยที่พระโพธิสัตว์พระเจ้าทรงประนามว่าไม่สาสะกุมารก็พระราชบิดานั้นมีพระรจูรสสองพระองค์คือไม่สาสะกุมารเป็แบบจันทรกุมารสองพี่น้องแล้วต่อมาก็ไม่สีเก่าพระทิวงโคตก็ได้ไม่สีใหม่แล้วประสูตรพระราจูารสเหมือนกัน ก็ชื่อว่าสุรยิยะกุมารพระชาชวิดาก็พลังพระวจาพระราชทานพรอนทำนองเดียวกันก็ในฐานะที่ได้ราชโอรสทรงพระเยาวก็ขอให้ผ่อนพิเศษถ้านางต้องการอะไรก็ให้บอกได้ตามความประสงค์ก็จบลงเรือนางขอราชสมบัติ แล้วก็ย้อนไปถึงยุคคงปุราณะคือยุคของรามายณนะเราจะเห็นว่าเท้าทศรถหรือพ่อป ร, รามเนี่ยก็มีลักษณะอย่างเดียวกันเมื่อตอนที่เท้าทศรถไปรบกับยักษ์แล้วก็รถเพราหักตอนางไกะยะเกศีซึ่งโดยเสด็จด้วยก็กระโดดลงไปเอาบ่าปไปยันล้อรถไว้ก็ทำให้ไม่เสียกันทรงตัวแล้วก็พิชิตยักษ์ได้ก็ถือว่า เราดชีวิตแล้วก็ทําลายจูุได้เนี่ยเพราะอาศัยการไปช่วยจับรอรถไปให้จับพร้อรถไปให้นะฮะไม่รถมันเสียเสียการทรงตัวก็พลังพ ร, ะราะว่าอาจ้าพระเจ้าท า, านโทษให้ประนางดึกสิ่งที่ต้องประสงค์เช่นเดียวกันมันก็ทําให้คิดถึงคําพูดโบราณที่ท่านสอนเอาไว้ว่าคำพูดบางคนเหล่านี้ฟังหูไว้หู คือผู้ชายพูดกับผู้หญิงที่จริงที่ท่านบอกเนี่ยชายหนุ่มพูดกับหญิงสาวแต่เราจะเห็นว่าตรงนี้มีเมียแล้วทงนั้นเลยเพูดกับเมียตัวเองแต่พูดด้วยความรักความหลงแล้วก็ปีติจะขาดความยับยั้งชั่งใจตานปีติในแบบที่เราแสดงออกเนีท่านยังเรียกว่าดีใจแต่ว่าปีติ เพาบิติมันจะประลบความสุขความสงบ่งเกิดขึ้นมาจากภายในแต่ว่าดีใจนั้นจะประลบการได้สิ่งมาจากภายนอกแล้วก็ส่วนมากก็จะพลาดวันาะในที่สุดมันก็จบลงแนวเดียวกันคือเรื่องมหิสารกุ ม, มารก็จบลงที่พระราชวิดาก็ต้องพระราชทานพร ตามที่ประเมสีขอแต่ว่าก็มีคำสั่งซึ่งถ้ามองไปจริงๆว่าถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นจริงๆเนี่ยต่อไปพี่น้องก็ฆ่ากันก็เรียกพระโรถทั้งสองคือมิซาสั ก, กุมารกับจันตักุมารเนนะียให้เข้าเเ้าแล้วก็กระซิบบอกว่าเมื่อพ่อตายไปแล้วเนี่ยให้ลูกกลับมาหาราชสมบัติเยวทั้งสองพระองค์ก็ต้องไป แต่สุญั ก, กุมาเนี่ยไปเล่นอยู่พอเห็นพี่ชายทั้งสองออกไปเช่นนั้นก็วิ่งเข้ามาสอบถามทราบความกิ้วมากกิ้วแม่มากที่ไปทําอย่างนั้นก็เลยทวท่งเลยก็ขอตามพี่ชายทั้งสองไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยกันยุ่งเลยทีนี้ทั้งสองพระองค์ไล่ให้กลับก็ไม่ยอมไลยต้องไปด้วยกันเป็นเลยก็เป็นกันคือไม่เอาไม่ยอมเอาราชสมบัติแบบเดียวกับพระพรดอ่ะ โดยเด็กกับพระพุธในเรื่องราวมาเกียนแต่ในสุดก็ไปถึงในป่าก็พักผ่อนแล้วก็มีสากสักกุมารก็บอกให้สุดักกุมารพระอนุชาองค์เล็กเนี่ยไปตักน้ำมาดื่มแล้วก็ถูกยักษ์รากสดซึ่งเฝ้าสระน้ำแล้วรับผนจากทเวสุวรรณสามารถจับคนซึ่งไม่รู้เทวธรรมกินได้ แต่ก็ถูกจับไว้อิสซาสกุมารก็เห็นสุยักุมารช้าอยู่ก็ส่งจันทะกุมารไปอีกก็ถูกถามแล้วก็ตอบไม่ได้ถูกจับไป อ, อีกอิสซาสากุมารก็เลยไปเองนื่องจากเป็นคนมีไหวพริบดังขอสังเกตมองดูก็รู้ว่าเป็นที่สิงสถิตของรักสดเลยท่านก็ไม่เหยียบในทิ่นของเขา องคนั้นเลยก็ต้องปลอมตัวขึ้นมาเหมือนลอกหลอกลอก่อพระองค์ไห้เข้าไปในแดนที่เขาได้รับพรเอาไว้ท่านก็รู้ว่ามันเป็นรักสรัพแล้วก็สอบถามสราบความเช่นนั้นท่านก็บอกท่านพร้อมจะแสดงเทวธรรมให้ฟังแต่ว่ามีครอบแม่ว่าเดินเดินทางมันเหนื่อยก็ขออาหน้าท่าบิ่มน้ำให้ร่างกายสะอาดสะอานเสจก่อนในที่สุดก็ได้แสดงเทวธรรมให้ฟัง ก็แปลว่าบาลีว่าอิริโอตัปสัมปันาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตสัปริสาโลเกเดวะธรรมะติพุจเรอิริโอตปะนั้นเป็นธรรมะฝ่ายขาวเทวดาฉันดาวดึงเรียกผู้มีธรรมะสองประการนี้ว่ามีเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนจะเป็นเทวดาในการต่อมาก็ได้ ปูชาชี้แจงให้รักสดเข้าใจในบาปุนขุณโทษแล้วก็อยู่กันในป่าใช้ชีวิตกันอยู่ในป่าเมื่อพระราชบิดาที่วงคตแล้วก็กลับเข้าวังก็ได้เป็นพระราชา ต, ตั้งจันทกุมารให้เป็นอุปราชและสุริยกุมารให้เป็นเสนาบดีเวลามาเกียนเราจะเห็นว่า พระรามพระลักษณ์นังสีดาก็เข้าไปอยู่ต้องไปอยู่กว่าสิบสีปีเพราะเท้าทศรถต้องให้พรแกนางกายเกษีคือให้ประพรห้ประพร์นั้นผ่านทานีที่ปรากฏในเรื่องรามลรีวราชบ่าความนะฮะที่ตอนพระรามเล่าให้รรมลรีวราชฟัง ปราะเหตุด้วยมากกายเกษสีเทวีมืดเมือมืดมัวโมหันขอสัตว์บิตร ง, งทรงผันให้พระพุทนั้นผ่านธานีํำจัดขาออกจากนักเรศได้ทรงเครื่องเพศเป็นฤาษีอยู่ป่ากำหนดสิบสี่ปีหลันนี้จึงต้องมาเดินไพรอนางศีดานงลักษพระอนงนงลักษกับพระรักษกันแสงให้ ตามข้ามาอยู่พนาัยเป็นเพื่อนยากไรโดยนัตดาเราก็เล่าไปเรื่องก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตมาสังเกตว่าบทเรียนต่างๆในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเกิดซ้าซากเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแม้แต่คนศึกแผนศึกแผนยุทธการต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมนุษย์มักจะลืมเรื่องราวต่างๆในอดีต แดี๋ยวก็นึกไปออ ก, กว่าเรื่องนี้มันก็ซ้ำกับเรื่องนั้นเรื่องนั้ก็ซ้ำกับเรื่องนั้นมันต่างกันเฉพาะคนแต่ว่าเจตนาในการทําวิธีการทาแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเฉพาะยิ่งที่เจตนากับตัวผลเนี่ยมันตรงกันรูปแบบอาจจะต่างกันนะแตัวเรื่องเหล่านี้ส่วนมากแล้วคนฟักจะออนไหวเพราะว่าพวกที่ทุจริตเนี่ยมัน มักจะพูดจาไพเราะอ่อนหวานที่โบราณได้พูดว่าคนปริ้นพูดหวานคนผานพูดมากพระอย่างไดพร้อพระเทวีองค์นี้มันก็ไปกล้าขอสมบัติซึ่งเป็เจ้าโอกากากราชก็คือกษัตริย์ที่ถือว่าสัตว์แล้วไม่ขึ้นขับคือเป็นอันตรายนะสมมติว่าพระเทวีเกิดขอประสชดมาชีพของพระองค์ก็ต้องให้นะคร พระบอกว่าให้ประนางเลือกสิ่งที่ต้องประสงค์คือขอให้ขา่าข่าตัวตายก็ได้ขอไปชนมาชีพ ก, ก็ได้ขอคณะขอราชสมบัติก็ต้องให้เพราะเรื่องสัจจะปฏิญาณสัจจะวาจาสัจยาทิฏฐานในแตลน่ลรเนยคือเขาไม่จะทำง่ายๆมันต้องมีการตรวจสอบมันต้องมีการมองรอบค้อบรวมถึงการํำเนิการยกย่องคน เพราะถ้่เรามองภาคปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสแสดงในเรื่องลักษณะนี้ก็จะลงใช้ใช้ให้เน้นย้ำี่การใช้สติปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบครอบแล้วต้องอย่างนั้นเลยฮะต้องรอบครอบจะยกย่องจะตำหนิจะนับถือคนเนี่ยก็ดูที่การกระทำของเขา คือนอกจากกระดุว่าเขาเป็นใครแล้วเนี่ยเขาทําอะไรเบ mm hmm. ื้องหลังอดีตเขาเป็นยังไง mm hmm. เป็นเรื่องที่จะต้องมองที่ตัวกรรมในการกระทําของเขา mm hmm. หลายลักษณะทางอารมณ์เนี่ยเ mm hmm. วลาเนี้ยเราอยู่ในยุคสมัยที่ทางวงการวิทยาศาสตรเองวงการเมืองระดับโลกองการธรรมชาติเอง mm hmm. มีการประรบถึงสภาพ เขาเวิกฤตก็พูดกันมาตั้งแต่สองพันรอยี่สิบแปดว่าสังคมต่อไปคือสังคมยุคเนี้ขณะ น, นี้มันจะวิกฤตทางสังคมวิกฤตทางอารมณ์วิกฤตทางจิตวิญญาณอะไรตงางๆแต่เราก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ตัวนี้ที่จริงมันวิกฤตครบทั้งสามอย่างเหมือนกันตัวการที่เอาพระราชกุมารพระราชกุมารีตั้งเก้าพระองค์ให้ออกจากเมืองไปสร้างเมืองอยู่ใหม่ ท่านต้องยกเรียกว่าย้ายเมืองกันเลยนะแยกเมืองย้ายเมืองกันเนยเมื่อก็ผ่าเมืองก็ต้องยกจัตุรงคินีเสนาออกจากปะนครและทีนี้คนมันโอนไหวหมายความว่าฝ่ายหนึ่งนี่แม่ก็ตายไปใหม่ๆแล้วก็ลูกก็มีสิทธิ์ในราชสมบัติยังไม่ได้ราชสมบัติและไม่น้ำซ้ำยังต้องขับไล่ออกจากเมืองอีกก็ทำให้นคนโดยเสด็จนี้เยอะ เรียกจะตรงขินีเสนาออกจากพระนครไปสร้างพนักคอนใหม่ก็หมายว่าย้ายเมืองเอาไปครบสมบูรณ์บริบูรณ์สัตว์สิงเงินทองอะไรต่อะไรก็ไปถึงเชิงผาหิมาภานก็เข้าไปในบริววเวณป่าป่าสักด์ป่าไม้ศักด์เพื่อนแฝ่พิศสัตว์ที่นั้นมันไม่เบียดเบียนกัน ก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรแล้วก็ไปพบกับท่านดาบ ท, ทนหนึ่งชื่อว่ากบินมุนีหรือกบินละดาบทเมื่อก็ในสายทางประวัติศาสตร์ผสมกับลัทธินะฮะก็มีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันว่าคำพี์ี่เรียกว่าสางขยะถึงเรียบเรียงโดยท่านกบินมุนี แล้วก็ภาคปฏิบัติที่มาอยู่โยคะซึ่งเรียบเรียงโดยท่านปรตตันจรีเนี่ยกราเป็นไปได้ไหมว่ากบินลมโนีคนนี้คือกบินกบินดาบท่านนั้นเพราะว่าถ้าเรามองเอกสารต่างๆือมองที่ชาดกนะเราก็จะพบว่าวิธีชีวิตแบบฤาษี แล้วก็การกาการักษาศีลโบสถ์ศีลแปดเนี่ยมันนานแล้วเกิดไม่รู้นานเมื่อไร่อนะแต่ถ้าดูที่ประคัมภีร์แล้วเนี่ยจะนานมากเพราะว่าประวัติพ ร, ระโพธิสัตว์บางเรื่องเนี่ ย, รรยไกลแล้วเกิดเพราะอะไรเก็กบินระดาบทเนี่ยมันก็อาจจะฝึกปรือสั่งสอนพวกสมบัตแปดก็เรียบเรียงสังกยกะกโยคะเนี่ยเมื่อปฏิบัติพนวกกันน่ยมันก็ไปสมบัตแปดได้ แล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่สืบต่อกันมาถึงยุคอาลาดาบทกาลามโคตอุตะกัดาบทราบรุตรสายเดียวกันนะฮะก็เป็นสายศาสนาท่านกบิลมุนีท่านบอกว่าให้สร้างเมืองที่นี่แหละหรื อ, อถ้ามีพระประสงค์ก็ให้สร้างเมืองที่นี่แล้วต่อไปจะมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สริงคารต่างๆแล้วก็จึงให้ชื่อว่ากบิลพัทพัทคือพัสดุเนี่ยก็ทรัพย์สินเงินทอง แปลว่าเมืองที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองอนเองกนกนัน้นอันเป็นที่อยู่ของกบินระดาบทมาก่อนทีนี้ราชวงศ์นี้เขาจริงๆรงตอนนั้นมันไม่มีชื่อเป็นราชวงศ์หรอกคือตมเนียนที่ถือปฏิบัติมาในราชกุลนี้เขาก็ไม่แต่งงานข่ำค่ำวันนั้นเราก็กลายเป็นไปบงชี้ถึงระบบวันนะ้ แล้วในที่สุดก็ทำยังไงล่ะเพราะว่าการย้ายมาเนี่ยมาสร้างเมืองกันใหม่เนี่ยก็ไม่รู้จะแต่งงานกับใครแล้วก็พี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็มีความผูกพันว่าเวกันก็ตกลงว่าก็จับคู่แต่งงานกันนะพี่ชายคนที่สองต่อจากพี่สาวนะก็แต่งงานกับน้องสาวคนที่สองพี่ชายคนที่ชายคนที่ ่อามาก็แต่งงานจับคู่กันต้องลงว่ 8, าแปดสี่คู่แปดองค์เนี่ยฮะแต่งงานกันสี่คู่กษัตริถาปนาประเชษฐาปกินีอยู่ในฐานะของมารดาเป็นที่เคารพสักการะของพระอนุชาประกนิทาปะกินีทั้งหลายแล้วก็ ในการต่อมาเนี่ยพระเจ้าโอกาะกาะราดเองก็คงฝูงใหญ่ก็ติดตามข่าวคราวทราบข่าวถึงการความเจริญก้าวหน้าที่เกิดขึ้นดรืยการกระทาของพระจุรสราชติดดาแต่ก็เปล่งพระอุทานว่าราชกุมารในอ ง, งานอาจเนาะอ ง, งาอาจคือสักโกนี่แปลว่าผู้องาอาจก็คือสักกะ พระราชบวงนี้มันก็มีอยู่สองความหมายน่าเป็นไปได้ไหมที่เกิดขึ้นจากพระราชบัตรของพระเจ้าโอกากาการะซึ่งเป็นราชบิดาก็เรียกว่าศักยะหรือสากิยะหรือสักโกะแปลว่าผู้องอาจแล้วก็เลยพวกนี้ก็ตั้งบวงเป็นศักกยะวงแต่ในขณะเดียวกันไอ้ักกะเนี่ยอาจจะหมายถึงต้นศักก็ได้ เพราะว่เราดูพวกราชวงศ์ทั้งหลายราชวงศ์ในอินเดียเนี่ยบางราชวงศ์นี่ก็ค่อนข้างชัดเจนเช่นราชวงศ์มอริยะหรือโมริยะของพระเจ้าอโศกเนี่ยเพราะว่าต้นวงของท่านนั้นไปอยู่ที่เชิงเข า, ปปาหาิบาลัยแล้วก็เป็นป่านกยูงนกยูงมันอยู่เยอะเพราะโมริยะหรือมอริยะก็เกิดแปลว่านกยูงนี่ยกระวงที่สืบเชื้อสายมาจาก กลุ่มบุคคลที่อยู่เชิงภูเขาที่มีนกจุงอยูม่มากพราะในการการสร้างชื่อสกุลแท้แล ะ, แ ต, ะรตระกูลในแนวนี้ถ้าเราดูโบราณแล้วก็จะมีอยู่เยอะอะไรก็ตามที่เราเห็นความสําคัญแล้วก็มีความผูกพันเราก็จะเอาสิ่งเหล่า น, นั้นเข้ามาไว้เป็นชื่อเป็นแท่เป็นโคดเป็นสกุลของตนก็นแล้วแต่ ในการต่อมาประเชตภังกินีเกิดเป็นโรคเรื้อนท่ารก็ไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในวังเลยก็ขอข้าไปอยู่ในป่าทา้งวังก็ทรงเสียเรื่องก้าประหารหนึ่งนะทีนี้นะอยู่ในป่ามันก็เสี่ยงอันตรายแต่ก็ต้องขุดเป็นหลุมเป็นอุโมงค่ะก็อุโมงนี้อยู่เพื่อป้องกันไม่เกิดอันตราย แล้วในการต่อมาเนี่ยฮะก็ไปเจอกับอดีตพระเจ้ากรุงพาราณสีชื่อรามไปพบกันก็โดยพระเจ้าปกิ น, นีนั้นก็มีเสือมายืนอยู่ที่ปากปากอุโมงก็ตกส่งเสียงดังด้วยความกลัวนะเจ้ารามก็มาช่วย ไล่ไปแล้วก็สอบถามทราบความว่าใครเป็นใครแล้วท่านก็ให้เสวยผลกระเบานะผลกระเบาซึ่งท่านเสวยท่านก็เก็บเสวยไปเรื่อยๆว่าท่านเป็นโรคเลือดเหมือนกันก็เก็บกินไปเรื่อยๆแล้วมาเกิดหายเป็นมาก็ให้พระเจเจถ า, ากินีก็เสวยด้วยแล้วก็หายต่อในที่สุดมันก็แจ้งข่าวให้ทางเมืองพาราเนสีแล้วก็ทางกบิลพัทราบ ตอนนั้นก็ต้องการย้ายกลับวังแต่ว่าทั้งสององค์ก็ไม่ยอมกลับแล้วก็ต้ลงว่าช่วยกันสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งอีกภางหนึ่งของแม่น้ําโรหิตนี่ก็ชื่อว่าเทวทตาหะก็เหมือนกับเป็นเทวดาประทานให้แต่ตั้งวงแปลกนะฮะเรียกว่าโกริยาวงโกริยะก็จริงๆเป็นชื่อของผลกระเบื้ก็แสดงว่าเป็นวงที่สืบสาย มาจากผลกระเบาตรงนี้ชัดเจนนะฮะว่าสํานึกขุนของผลกระเบาบังส ก, กัดบางกอาจจะหมายถึงต้นสักที่เกิดขึ้นจากสานึกคุนของต้นไม้ที่ตนได้มาอิงอาศัยกัทนาลนกบิลพัทนะฮะสำนึกขุนของท่านกบิลมุลนีก็ เ, เอาไปสร้างเป็นเป็นเมืองเป็นชื่อเมืองระราชวงศ์มันก็จะอาจจะถือว่าองค์อาจกันที่จริงก็ได้ทั้งสองความหมาย ก็แสดงว่าสานึกคุณทั้งสองฝ่ายนี่ก็เป็นความเป็นมาของปฐมวงซึ่งก็คงจะห่างไกลกันมากนะกับสมัยพระเจ้าเสด็จนะแต่ก็เป็นลีลาชีวิตที่น่าศึกษาแล้วก็กลายเป็นบทเรียนได้หลายนยาัยยะนด้กันต้องฟังตั่งไหนแต่หลวพ่อพุทธาในวันนี้ข อ, อยุติไหว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญมตต์นำไปบุญในธรรม